รู้ลงไปสิทธุที่กายว่ากายมันเจ็บหรือว่าใจมันเจ็บก mm hmm. ายมันเจ็บใจไม่เจ็บนะเ mm hmm. แต่ว่าเราเจ็บไปด้วย mm hmm. งั้นเวลาเราปฏิบัติเสร็จแล้วเนี่ยเราจะพบว่ากายมันเสวยทุกขเวทนาแต่ใจไม่เสวยสมัก่อนมาเคยขาเพื่อนๆกันขึ้นไปกราบหลวงปู่สิมหลวงปูสิมทานนั่งขัดเท็ต สมาที่เพชรพูดปวดนะนั่งชั่วโมงหนึ่งนี้แทบเก็บแข้งขาหักเลยนั่งกันทั้งทีมนะนั่งรอดไปสองคนตัมมากับผู้เท่าอีกคนนั่งนะนั่นเป็นผู้ใหญ่ของไฟฟ้าคุยภาคเสร็จ แ, แล้วหลวงปู่ก็ถามเป็นไงนั่งแล้เป็นไงพี่คนนั้นก็บอกว่าโอ้นั่งแมันเมื่อยขาครับหลวงปู่ถามขามันบอกแล้วว่ามันเมื่อย เมื่อยจริงๆครับเมื่อยขาจริงๆไม่เข้าใจถ้าเราดูเพ็นี้เราจะรู้เลยความเมื่อยมันเป็นนามธรรมอันหนึ่งเป็นเวทนาขันแทรกอยู่ในขาขาไม่ได้บ่นว่าเมื่อยนะใ่ใจเรากะทับกะสาแต่เราคิดว่านี่ขาเรามันเมื่อยจะแย่แล้วขาเราแต่ถ้าเรารู้สึกตัวอยู่เราจะเห็นรูปนามแยกจะเป็นส่วนๆกายส่วนกายเวทนาส่วนเวทนาจิตส่วนิ พอจะดูออกไหมอย่างนั่งเนี่ยเมื่อยใช่ไหมดูออกไหมว่าเมืออ่อย น, นไม่ใช่ขาวิธีดูว่าเมื่อยเป็นขาหรือไม่เป็นขานดูง่ายๆดูความเมื่อยเราเรานั่งให้สบายาแล้วดูไปเราจะเห็นในความเมื่อยที่เกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบาดูออกไหมขายังอยู่กับที่เลยความเมื่อยเปลี่ยนแปลงดูออกไหมคนลันกันถ้าดูอย่างนี้เดี๋ยวก็จะเห็นเลยขาส่วนขานี่รูปขัน ความเมื่อยตัวเวทนาขันอยู่ส่วนหนึ่งสังเกตอีกไหมว่าความเมื่อยถูกรู้อยู่หมรูปก็ถูกรู้ดูออกไหมกายนี้ก็ถูกรู้แม้เราได้อีกขันหนึ่งละเราได้วิญญาณขันละได้ได้ตัวจิตนี่ได้สามขันล้ะทำพอเมื่อยๆไปเดี๋ยวก็ชักหงุดหงิดพอขยับหายเมื่อยนะดีอกดีใจนี่สังขารขันหัดดูหัดแยกไป การแยกรูปแยกนามแยกขันห้าออกไปได้ก็เป็นเียนามรูปปริเฉทญาณเป็นญาณเบื้องต้นเลยเพราะว่าถ้าสมมติเราเจ็บหน้าใจเราเจ็บนะเราตามเพราะว่าเจ็บรู้ลงไปสิืที่ใจว่าใจมันเจ็บหรือว่าใจมันเจ็บใจมันเจ็บใจไม่เจ็บนะแต่ว่าเราเจ็บไปด้วย งั้นเวลาเราปฏิบัติเกณฑ์แล้วเนี่ยเราจะพบว่ากายมันเสมอทุกประเวทนานแต่ใจมมไม่เสมอเมื่อก่อนมาเคยพาเพื่อนๆกันขึ้นไปกราบหลวงปู่สิมหลวงปู่สิมทานนั่งขัดเ็สขัดสมาธิเทสบูดปวดนะนั่งชั่วโมงหนึ่งนี่แทบเกิแข้งขาหักเลยนั่งกันทั้งทีมนะนั่งรอดไปสองคนสมมากับผู้เท่าอีกคนนั่งนะ เป็นผู้ใหญ่ของไฟฟ้าหุ่นภาคเสร็จ แ, แล้วโลวงปูก็ถามเป็นไงนั่งแล้เป็นไงพี่คนนั้นก็บอกว่าโอ้นั่งแล้วมันเมื่อยขาครับโลวงปูถามขามันบอกแล้วว่ามันเมื่อยโอ้เมื่อยจริงๆครับเมื่อยขาจริงๆไม่เข้าใจถ้าถ้าเราดูเพเนี้เราจะรู้เลยความเมื่อยอมันเป็นนามธรรมอันนึงเป็นเวทนาขันแทรกอยู่ในขา ขาไม่ได้บนว่าเมื่อยนะแต่ใจเรากะสับกะสายแต่เราคิดว่านี่ขาเรามันเมื่อยจะแยกแล้วขาเราแต่ถ้าเรารู้สึกตัวอยู่เราจะเห็นรูปนามแยกจะเป็นส่วนๆกายส่วนกายเวทนาส่วนเวทนาจิตส่วนจิตพอจะดูออกมไหมอย่างนั่งเนี่ยเมื่อยใช่ไหมดูออกไหมว่าเมื่อยเนี่ยไม่ใช่ขาวิธีดูว่าเมื่อยเป็นขาหรือไม่เป็นขานีดูง่ายๆดู ความเมื่อยเราเรานั่งให้สบายแล้วก็ดูไปเราจะเห็นในความเมื่อยที่เกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบาดูออกไหมขายังอยู่กับที่เลยความเมื่อยเปลี่ยนแปลงดูออกไหมคนละอันกันถ้าดูอย่างนี้เดี๋ยวก็จะเห็นเลยเออขาส่วนขานี่รูปขันความเมื่อยตัวเวทนาขันอยู่ส่วนหนึ่งสังเกตอีกไหมว่าความเมื่อยถูกรู้อยู่ใช่ไหมรูปก็ถูกรู้ดูออกไหมกายนี้ก็ถูกรู้แม้เราได้อีกขันหนึงแล้ว เราได้วิญญาณขันแลได้ได้ตัวจิตนี่ได้สามขันแล้วทาพอเมื่อยๆไปเดี๋ยวก็ชักงูดหงิดพอขยับหายเมื่อยนะดีอกดีใจนี่สังขารขันหัดดูหัดแยกไปการแยกรูปแยกนามแยกขันห้าออกไปได้ก็เป็นยกนามรูปปริเฉทยานเป็นยาณเบื้องต้นเลยแต่ยังไม่ถึงขั้นนี้ปัสนานะ แค่หักแยกกันตอเมื่อใดเห็นว่ารูปนามมันเปลี่ยนแปลงเกิดจับ น, นั้นถึงจะเป็นมิตัสนาเนี่ยเผลอไปรู้ไหม